เราเป็นชาวเสียมผูตัดสรุ้เองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูของเราปุบกาชีวกะและ็บดิเลยเมื่อรุนนลายหนีไปคุยโวกันไไม่ฟังเลยแทนที่จะได้ฟังทมพอเห็นแล้วก็ไม่ชอบถอนความพอใจและความไม่พอใจออกไม่เป็นด่วนรับด่วนเปรเจดทำพูดแบบนี้ไม่ชอบปุบกาชีวก็นั่นก็ อันหลังหนีไปต่างเกิน ไ, ได้บทเรียนเนี่ยพระพุทธเจ้าได้บทเรียนโ oh. อ้เราพูดมากเกินไปหนีเยินไปเดินไปถึงปัญจวิชีเลยเดียวตอนไปพบที่แรกเห็นปัญจวิชีอยู่ปัญชีหนีไปเลยไว้จำได้จ่ายเรียนกว่ากว่าเดืะสะสำนักมากๆมาแล้วตามมาแล้วพวกเราอย่าตอนรับเพราะคนล่มเหลวไปหนีไป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 ไม่ใช่พูดอะไรพระเจ้าดูก่อนปัญจวิชีดูขอนไม่ใช่เราเป็นชาวเสียงผูตัดจุลูดเองไม่ใช่กำ น, นั้นแล้วดูก่อนปัญจวิชีเราได้ตัดจรูดโดยโชคเราจะบอกปัญจวิชีซึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาโดยเพราะโกนทายาผามเราก็โรคเป็นสัตว์ปรุษเป็นบรรพโุรดของเรา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 เหมือนชาบเสื้อผ้าที่บังเปเื้อนมาผู้เจ้าก็แสดงธรรมานุบุพิกถาเหมือนกับซักให้บริสาทธิ์แล้วก็ย้อมให้ธรรมเทศนานนั้นที่เสร็จปรดยาสะวกุลบทในที่สุดยส า, าคกุลบก็ได้สำเร็จดวงตาเห็นธรรมถือบวชเหมือนกับปัญญพีเข้าไปแล้ววิดอมานดาบริวานของยาสะวกุลบทไม่เห็นตามหา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 พออ่อในมวพระเจ้าพ่อหมู่สงปัญญบียะศไปฉันทีบ้านโปรยอดโจมทั้งหลอยเพื่อนของยะศกุลบุตรเห็นยะศบวชเอา้ามาถือบวทอีกสี่สิบห้าคนนะเออมันก็เคยขึ้นมานี่หลักฐานาใครล่ะเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือพอสมควรผู้คนทั้งหลายปัญญบียะศกุลบุตรเพื่อนยะกุลบุตรนับจากนั่นไปอีก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 โอ้ยงามทีสุดเลยเฮ้ยปนั่งดูโอ้ยสองสาพันปีอ๋อใจพุทธเจ้าน่มาดูผีเหมืองคนโบราณ น, นั่งอพอดีพวกเล่นใส่ลไล่ใสีขึ้นไปอาดายรามาอาดายรามอาดารามะมันเห็นเรานึ่ว่าองค์ได้รามาได้รามได้ราม า, า, ม า, ามลุ่มเข้ามาหาเราเราก็นั่งหลับตาเฉยพอามาใกล้ๆแล้วก็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 เดือนเป็นเดือน8ถึงเดือนสามใก็แมนแปดเข้าเดือนเกิดพระหลันหนันสองรไปรวมกันที่ป่าเบรวนสวนเวรวนุรวนงรา จ, จะคือเดินทางไปไปพบ พ, บพระพิจิเจ้าโดยที่ไม่ได้นั ด, ดหมายเลยไปอยู่ที่นั่นพุทธเจ้าอ้อาชจร น, นอ้อพระสงฆ์ที่มาเน่มารวมกันไม่ได้นัดหมายตั้งห2ึ่งรู้ปล้วนเป็นพระหลันทั้งหมดเลยแสดงโ อ, อวาทไปถึโมก